อันนี้มีเด็กมาเยอะตรงนี้โรงเรียนปิดพ่อแม่เลยพาเข้าวัดการพาเด็กเข้าวัดเนี่ยเป็นวิธีสอนเด็กพ่อแม่จะสอนลูกต้องสอนโดยการกระทำกับการกับการพูดพูดอย่างเดียวไม่พอพูดแล้วไม่ทําลูกเขาก็มองไม่เห็น การที่จะสอนอะไรให้ลูกให้เด็กนี่พ่อแม่ต้องสอนด้วยคำพูดแล้วก็ต้องตามด้วยการกระทำถ้าสอนให้พูดคำพูดอย่างเดียวแต่ไม่กระทำลูกเขาก็จะไม่ทำตามเช่นบอกว่าลูกอย่าอย่าอย่าไปเที่ยวอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ไปเที่ยว ต้องสอนเขาแล้วก็ต้องกระทำด้วยเช่นบอกให้สอนให้มาวัดนี่เราก็ต้องพาเขามาวัดถ้าให้เขามาเองนี่เขาก็ไม่มาแต่ถ้าเรามาเขาก็ตามเรามาถ้า อ, อ, อยากจะให้เด็กเข้าวัดอยากให้เด็กศึกษาธรรมะพ่อแม่ก็ต้องเข้าวัดพ่อแม่ก็ต้องศึกษาธรรมะอยากให้เด็กไม่ทำบา พ่อแม่ก็ต้องไม่ทํำบาปไม่ให้อยากไม่ให้เด็กดื่มสุราพ่อแม่ก็อยากดื่มสุราถ้าพ่อแม่ดื่มสุราเดี๋ยวลูกเขาก็ดื่มสุราตามไม่อยากให้ลูกโกหกก็พ่อแม่ก็อยากโกหกลูกโกหกแล้วเดี๋ยวลูกเขาก็เห็นว่าพ่อแม่ทําได้ลูกก็ทําตามอันนี้คือ การสอนที่จะมีมีผลต้องสอนด้วยทั้งคําพูดและการกระทําอย่างพระพุทธเจ้านี้คําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้ า, จาบอกว่าพระองค์ได้ทํามาหมดแล้วสอนให้ละบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําบาปเลยสอนให้ทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าก็ทําบุญทุกอย่าง บุญสิบประการที่สอนให้ทำเนี่ยเช่นทานศีลภาวนาอนุโมทนาบุญอุทิตบุญความอ่อนน้อมถอำตนนับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ มีความเห็นที่ถูกต้องอธรรมทานมีการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นด้วยการสั่งสอนทมนี่คือความดีต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำพระพุทธเจ้าก็ได้ทำมาหมดแล้วอสอนให้ชำระใจ ให้กำจัดความโลภโกรธหลง<ม>ความอยากต่างๆ<ม>พระพุทธเจ้าก็ทรงกำจัดหมด<ม>ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมไม่มีความอยากได้อะไรมมไม่มีความอยากมีอะไรดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกทำดีอยากจะให้ลูกไม่ทำบาป เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกเพราะลูกเขาจะเรียนจากพ่อแม่ก่อนเขาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ตลอดเวลาถ้าพ่อแม่ไม่สนใจสั่งสอนใกล้ชิดกับลูกปล่อยให้ลูกไปเรียนจากผู้อื่นเดี๋ยวก็ไปเรียนสิ่งที่ไม่ดีเช่ถนถ้าไปคุก ค, คี ก, กับเพื่อนมาก ถ้าปล่อยให้ไปคุกคีกับเพื่อนไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนไม่ดีก็ชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี yeah. ่น <Yeah. S 1> พ่อแม่ต้องคอยควบคุมใกล้ชิดกับลูกๆอย่าเ yeah. ม่แต่ทามาหากินหาเงินหาทองจนลืมเรื่องลูกไป yeah. อาจจะได้เงินทองมามากมายอยู่กันอย่างสุขสบาย แต่ความประพฤติของลูกกลับไม่ดีก็ได้บางบางทีมาลูกทีก็สายไปแล้วลูกไปติดยาเสพติดลูกไปตั้งคัน mm. เพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาใกล้ชิดกับลูกมัวแต่ไปทำงานหาเงินแล้วก็คิดว่าให้เงินกับลูกก็เป็นการให้ความสุขกับเขา ให้เงินเขาไปถ้าเขาไม่รู้จักใช้เงินเงินที่ให้ไปก็จะเป็นโทษกับเขาได้แล้วให้โดยที่ไม่ให้เขาเห็นคุณค่าของเงินทองก็ไม่ดีจะทำให้เขาใช้เงินแบบแบบไม่รอบคอบใช้เงินแบบสุรุสุรายไม่เห็นคุณค่าของเงิน ควรจะให้เขารู้จักหาเงินควรจะให้เขาทำงานทำอะไรบ้างเพื่อเขาจะได้เห็นว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นของที่หาได้ง่ายหามาลากเขาก็จะได้หวงเขาจะได้ใช้อย่างระมัดระวังถ้าให้เขาเขาก็ใช้โดยที่เขาไม่ต้องหามาเขาก็ใช้แบบสนุกมือพอหมดเขาก็ขอขออีก ขออีกเราก็ให้เขา อ, อีก <Yeah. S 1> อันนี้แทนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกจะกลายเป็นโทษต่อลูกต่อไปเพราะลูกหนึ่งจะไม่รู้จักวิธีหาเงินทองเองสองจะไม่เห็นคุณค่าของเงินทอง <Yeah. S 1> ที่หามายากลำบากอย่างไร <Yeah. S 1> พ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากเพราะอยากจะให้ลูกสบาย แต่ความอยากให้ลูกสบายนี่หละมันกลับเป็นโทษกับลูกเพราะลูกจะไม่รู้จักกับความทุกข์ยากลำบากเวลาต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากจะทำตัวไม่เป็นทำตัวไม่ถูกจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเวลาทุกข์ยากลำบากไม่มีความอดทน ไม่มีความอดกลั้นก็ จ, จะไปทำบาปเพื่อแก้ความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเขาได้ฝึกอยู่แบบทุกข์ยากลำบากบ้างให้เขาพบกับความยากความลำบากเช่นให้เขาทำอะไรอยากได้เงินทองก็ต้องทำอะไรบ้างจะได้รู้ว่า การที่จะได้เงินทาวมานี่มันยากลำบากยางไรแล้วเขาก็จะมีความอดทนอดกลัน้นเวลาเขาเกิดความทุกข์ยากลาบากเขาก็จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทำบาปไม่ให้ไปทำอะไรที่เสียหายได้นี่คือเรื่องของการเลี้ยงลูก เลี้ยงให้ถูกอย่าเลี้ยงให้ผิดถ้าให้เขาสบายไม่รู้จักความยากลําบากไม่รู้จักวิการหาเงินหาทองรู้แต่ใช้เงินใช้ทองต่อไปเงินทองที่เราทิ้งให้เขาไว้เขาก็จะใช้หมดเขาจะหาไม่เป็นเขาจะไม่อยากหาเงิน เรื่องอะไรต้องไปหาเงินให้เหนื่อยยากเมื่อมีพ่อแม่ให้เงินใช้ตลอดเวลาการจะให้เงินทองก็ต้องให้ด้วยเหตุด้วยผลให้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นถ้าขาดแคลนอะไรเช่นขาดแคนเสื้อผ้าก็ซื้อได้แต่ถ้าเสื้อผ้ามีเหลือเฟือแล้วยังอยากได้อยู่นี่ก็ต้องห้าม ต้องอยากไปให้เขาเขาเห็นอะไรเขาชอบเขาจะขอถ้าเราให้เขาเดี๋ยวเขาก็ขออยู่เรื่อยเพราะเขาจะเบื่อของที่เขาได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อแล้วก็อยากจะได้ของใหม่พอไม่ได้ของใหม่ก็งอแงก็ปล่อยเขางอแงไปเขาจะงอนจะงอแง จะโกรเราก็เป็นการเรียนรู้ไปเดี๋ยวต่อไปเขารู้ว่างอนเรื่องงอแงหรือโกรธก็ไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้ต่อไปเขาก็จะเริ่มงอแงเลิกงอนเราต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าไปกลัวเขาจะโกรธเราเขาโกรธเราก็โกรธประเดี๋ยวประด้าเท่านั้นเองชั่วข้าวเป็นอารมณ์ เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เร็แล้วโตขึ้นเขาจะมีเขาคิดเป็นเขาก็จะเห็นความดีของเราเห็นความดีที่เราไม่ตามใจเขาเพราะถ้าปล่อยให้ตามให้เขาทำอะไรได้ตามอำเภอใจอยากได้อะไรก็ได้เขาจะไม่รู้จักความผิดหวังจะไม่รู้จักความเสียใจเวลาไปเจอความผิดหวังนี่ จะเสียใจมากเราอาจจะคิดคิดสั้นบางคนเสียใจมากๆก็คิดฆ่าตัวตายเพราะไม่เคยเสียใจมาก่อนเพราะว่ามีแต่คนเอาอกเอาใจอยู่เรื่อยแต่ชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องเจอความเสียใจกันจะต้องเจอกับความผิดหวัง ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการหรือได้สิ่งที่เรารักมาก็อาจจะต้องเสียสิ่งที่เรารักไปถ้าเราไม่ฝึกเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเขาไปเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเสียใจสัานคิดฆ่าตัวตายได้หรือคิดไปทำร้ายผู้อื่ น, นการสอนให้เด็กมี ความอดทนอดกลั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นอาวุธเป็นธรรมะที่จะปกป้องรักษาชีวิตจิตใจให้ตั้งอยู่ในความดีงามต่างๆถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นก็จะไปทาบาปเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆเพราะการทาบาปมันง่ายกว่าการอดทนอดกลั้น ทำความดีนั่นเองไม่ <Yeah. S 1> อยากได้อะไรมากๆถ้าไม่ได้เงินก็อาจจะไปรักขโมยเงินเพื่อไปซื้อของที่อยากได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเคยได้รับ ก, การฝึกสอนให้ให้อดทนอดกัน้นเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ให้อดทนอดกั้นไว้ เดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวเวลามันผ่านไปไม่นานมันก็ลืมสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าถ้าเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาพราะรักอยากให้เขามีความสุขเนยรักแบบนี้จะทําให้เขาเสียคนได้เขาจะไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วเขาจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อไป คนที่มีความอดทนอดกลั้นนี้จะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะเพราะเราก็จะสอนเขาว่าอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปพูดปลดอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปประพฤติผิดประเวณีสอนเขาไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่าง แในบ้านเราต้องไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการโกหกไม่มีการประพฤติผิดประเวณีไม่มีการดื่มสุรายามเมาไม่มีการเสพอบายามุขเช่นเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนการกระทําเหล่านี้มันเป็นการกระทําที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ แต่เป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดโทษตามมาถ้าเราไม่ทําลูกเขาก็จะไม่ทําตามเราถ้าเราทําลูกเขาก็จะทําตามเรา น, นี่คือเรื่องการสอนเด็กต้องสอนด้วยวิธีการกระทำวันก่อนก็มีคนถามว่าอยากจะสอนให้ลูกนั่งสมาธิ สอนนั่งยังไงก็แม่แม่ก็นั่งไปสิแล้วก็ชวนให้ให้นั่งให้ลูกนั่งตามนั่งไปแล้วก็ลูกถามว่านั่งแล้วทำไงก็บอกนั่งแล้วก็ให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าแม่นั่งด้วยลูกเขาก็จะนั่งแต่ถ้ามาสอนให้ลูกนั่งแล้วแม่ไม่ไปนั่งน่งแม่ไปนั่งดูทีวีอย่างี้เดี๋ยวลูกก็จะไปตามไปนั่งดูทีวีตาม อยากจะทำอะไรต้องพาเขาทำอยากให้เขาทำบุญก็ต้องพาเขาทำตอนที่สอนให้เขาทำนี่เขายังไม่ได้บุญเพราะว่าบุญนี่เกิดจากการเสียสละข้าวของเงินทองตอนเด็กๆ เ, เขายังไม่มีเงินทองของเขาเองแต่สอนให้เขารู้จักวิธีทำบุญต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็ จะรู้จักวิธีทาบุญสอนเขาว่าทำไมต้องทำบุญเพราะว่าทำบุญแล้วจะให้ทำให้มีความสุขใจทำให้มีความสบายใจทำให้เป็นคนที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วยคนทาบุญนี่เป็นคนที่มีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดคนทบาบาสนี้ ทำแล้วทําให้เกิดไม่สบายใจทุกใจแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเป็นคนน่ารังเกียจไปไม่มีเพื่อนไม่มีใครรักอันนี้คือตัวอย่างของการสั่งสอนเด็กๆที่บางทีพ่อแม่อาจจะมองข้ามไป คิดว่าส่งไปโรงเรียนก็พอสมัยนี้โรงเรียนเขาจะสอนแต่ความรู้วิชาความรู้ทางขแขนงต่างๆเพื่อให้อะไร ป, ประกอบ ว, วิชาชีพเอาไปเลี้ยงชีพแต่จะไม่สอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องอความประพฤติที่ดีว่าเป็นอย่างไร สอนอาจจะสอนแบบไม่ละเอียดสอนพอพอประมาณแต่ถ้าไปไปเดยนที่วัดนี่ละวัดจะสอนละเอียดสอนเรื่องความกตัญญูกตวเวทีสอนเรื่องสัมมาคารวะความคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนเรื่องศีลธรรมสอนเรื่องอบายามุข อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้กันถ้าคนเราจะมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินมีทองอันนั้นก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งเป็นความสุขทางร่างกายถ้ามีเงินทองก็จ ะ, จะร่างกายก็ไม่เดือดร้อนมีเงินทองก็จะมีเงินซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหม่ม ซื้อที่อยู่อาศัยแต่ก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าใจไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณงามความดีใจก็จะไม่มีความสุขใจจะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าไปเสพอบายามุขไปทำบาปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เด็กต้องศึกษาต้องสอนต้องบอกเขาทำไมทำแล้วทาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาถ้าไม่มีใครสอนที่โรงเรียนก็ต้องพาไปวัดไปวัดแล้วก็ไปไปเรียนจากที่วัดโรงเรียนโรงเรียนเขาก็มีความสนใจ เขาก็จะพาเด็กเข้าวัดเข้าค่ายมาอบรมครั้งละสามวันห้าวันเจ็ดวันให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสัมมาคารวะให้รู้จักคบบุคคลมีคนที่เรารู้จักนี่มีคน ท, ทั้งที่สูงกว่าเราที่เท่าเราและต่ำกว่าเราวิธีปฏิบัติตับกับคนต่างๆก็ไม่เหมือนกัน คนที่สูงกว่าคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีบุญคุณก็ต้องเทิดทูนเคารพนับถือคนที่เท่าเราคนที่เป็นเพื่อนกันก็หยอกล้อเล่นกันได้คนที่เขาต่างกว่าเราก็ต้องให้ความสงสารคนที่เขาทุกข์ยากลาบากกว่าเราก็ต้องให้ ความเมตตากรุณาให้เขารู้จักช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้มองว่าชีวิตของคนเหานี้มีเก้ดมีดองแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันเวลาที่ล้มล้มลงมาก็ช่วยประคองกันให้ลุกขึ้นมาใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เรามีกำลังพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันไปนี่จะเป็นการทำให้เด็กฉลาดเด็กจะได้ความรู้ที่สำคัญสาคัญความรู้ที่เด็กที่พระพุทธศาสนาสอนเนี่ยมีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันคือให้รู้เหตุสองให้รู้ผล สามให้รู้ตนสี่ให้รู้บุคคลห้าให้รู้สังคมหให้รู้ากาลเทศะและเจดให้รู้ประมาณถ้าได้เรียนรู้ความรู้ทั้งหข้อนี้แล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ชีวิตนี้จะมีแต่ความสุข จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยถึงแม้จะไม่เก่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคนเก่งคนรวยถ้าไม่มีความรู้เจ็ดข้อนี้จะเป็นคนที่มีความวุ่นวายมากจะมีความทุกข์ความามีปัญหามาก เพราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องการรู้เหตุก็คือให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุฟังข้อพุทธศาสนาเหตุที่สําคัญที่สุดที่มีผลกับเรามากที่สุดก็คือการกระทําของเรานการกระทําก็มีอยู่สามทางด้วยกันการกระทําทางกายทางวาจาทางใจทําไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมา ผลก็คือความสุขด้วยความทุกข์ใจแล้วก็ประโยชน์ด้วโทษที่จะตามมาถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะเกิดความสุขใจเกิดความเจริญทางจิตใจแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่เกิดโทษเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแล้วก็เกิดประโยชน์กับตนเอง เช่นการทำบุญการได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือกันมีอะไรก็เอามาแบ่งกันเรามีมากเกินไปเห็นเพื่อนเขามีไม่มีเช่นตอนนี้หน้าหนาวถ้ามีมีเพื่อนเขาไม่มีเสื้อหนาวเรามีหลายตัวเราก็เอาไปแบ่งเอาไปให้เพื่อนเขาสักตัวหนึ่งให้เขาแล้วเราก็จะมีความสุขใจ ที่เราได้ช่วยให้เพื่อนเขาหายหนาวเพื่อนบางทีบ้านเขาอาจจะไม่มีเงินทองมากเหมือนบ้านเราเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อเสื้อหนาวมาใส่เขาก็ต้องหนาวแต่เรามีหลายตัวเราใช้ตัวเดียวก็พอมีหลายตัวก็าให้ผู้อื่นที่เขาไม่มีกัน ในช่วงนี้เขาจะส่งเสื้อหนาวไปตามชายแดนไปตามที่ห่างไกลธุระกันเดานพวกนี้เขาไม่มีไรายได้มากไม่มีเงินทองที่จะซื้อเสื้อเสื้อหนาวซื้อผ้าหม่มเช็นชาวเขาแาวดอยอันนี้ก็เราชาวบ้านชาวเมืองเรามีเงินทองเราหาเงินทองได้มากเราซื้อ เสื้อผ้าได้มากซื้อผ้าห่มได้มากเราก็ช่วยเหลือกันดูแลกันอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดสุขความสุขใจขึ้นมาผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเขาก็จะได้ความสุขกายและสุขใจแเขาก็จะชอบเรารักเราไม่เกลียดเรา อันนี้คือเหตุเหตุคือการกระทําการกระทําของเรานี้ทําได้สองสองทางใหญ่ๆหญ่ทแล้วเกิดประโยชน์เราก็เรียกว่าบุญหรือทําความดีทําแล้วเกิดโทษเราก็เรียกว่าบาปหรือการกระทําที่ไม่ดีบาปก็คือเนี่ยถ้าเราไปทําร้ายผู้อื่นทำทำร้ายผู้อื่น ฆ้าผู้อื่นหร่อไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปยุ่งกับลูกเมียของผู้อื่นเขาไปโกหกหลอกลวงเดิมสุระยาเมาทำแล้วมันก็จะเกิดผลไม่ดีตามมาผู้กระทำก็จะทุกข์ใจร้อนใจผู้ถูกกระทำก็เกิดความเสียหาย อันนี้คือการรู้เหตุรู้ผลให้รู้ว่าความสุขความเจริญของเราหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียที่จะเกิดกับเรานี้อยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือการคิดก่อนที่เราจะพูดอะไรได้ก่อนที่เราจะทำอะไรทางร่างกายได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้คิดจะมาทำบุญ พอคิดว่าจะมาทำบุญก็ชวนกันพูดไปทางวาจาชวนญาติสนิทมิตรสหายชวนลูกชวนสามีชวนภรรยาว่าวันนี้มาทำบุญกันแล้วก็บอกว่าทำบุญแล้วได้อะไรทำบุญก็จะได้ความสุขใจก็จะสูงขึ้นผู้ให้นี้จะเป็นผู้ที่มีคนเขาเคารพนับถืออันนี้ พอคิดแล้วพูดแล้วพอถึงเวลาก็ออกเดินทางงานเดินทางมาทำบุญเอาเข้าวเอาของมาถวายพระก็เรียกว่าเป็นการกระทาทางกายเวลาพูดชวนกันก็เป็นการกระทาทางวาจาเวลาคิดก็เรียกว่าเป็นการกระทาทางใจนี่คือเหตุที่พวกเราสร้างกันอยู่ทุกวัน เหตุที่ดีก็ทำให้เราสุขใจอิ่มใจเหตุที่ไม่ดีก็ทำให้เราทุกข์ใจกัน mm. เหตุที่ไม่ดีนอกจากการไปทำบาป ก, mm. การไปเสพอบายมุกแล้วก็ยังมีเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือความโลภความโกรธความอยากต่างๆ mm. อันนี้จะทำให้เราไม่สบายใจ mm. เวลาอยากได้อะไรในใจเราจะหงุดห ง, ง, งิดงอแง อยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้นี่เราจะโมโหเราจะโกรธเราจะเสียใจถ้าเราไม่อยากจะให้เราต้องเสียใจต้องโกรธอย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเดือดร้อนขาดแคลนถ้าไม่มีใครให้เราก็ต้องหาเองต้องรู้จักหา ข้าวของที่จำเป็นรู้จักพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตอนนี้อยู่กับพ่อแม่ก็อาจจะอาศัยพ่อแม่หาสิ่งที่จำเป็นให้แต่ต่อไปพ่อแม่ก็จะแก่และอาจจะตายจากเราไปถ้าไม่มีพ่อแม่ก็จะไม่มีใครมาหาสิ่งที่จำเป็นให้กับเราได้ ถ้าเราไม่รู้จักหาเองเราก็จะเดือดร้อนและเราอาจจะไปหาโดยวิธีที่ทำให้เกิดโทษกับเราก็คือไปลักขโมยอันนี้ก็เป็นเหตุถ้าเราพอมีพอกินแล้วไม่เดือดร้อนก็อย่าไปอยากได้อะไรถ้าอยากเราจะทำให้เราใจเราเดือดร้อนขึ้นมาโดยใช่เหตุ ถ้าเรามีกิจมีอยู่มีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่ก็พอแล้วอย่าไปอยากได้ของเล่นอย่าไปอยากได้อ ะ, อะไรต่างๆเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะมีกับเขาพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่สบายก็จะไปลบแล้วไปลบกวนพ่อแม่ขอพ่อขอแม่ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ ถ้าพ่อแม่ให้ก็ก็ดีใจแต่ถ้าพ่อแม่เห็นว่าไม่จำเป็นไม่ให้ก็จะเสียใจแล้วก็จะโกรธพ่อแม่ได้จะเริยนบุญคุณของพ่อแม่เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่มีบุญคุณกับพ่อกับเรามากเท่ากับพ่อแม่ไม่มีใครที่จะรักเรามากเท่ากับพ่อแม่ของเรา เวลาที่พ่อแม่เขาไม่ตามใจเรานี้ไม่ได้แสดงว่าเขาไม่รักเราแต่เขาไม่ต้องการให้เราเป็นคนเสียนิสัยเป็นคนที่จะไม่รู้จักอยับยัง้งหักห้ามจิตใจถ้าอยากจะได้อะไรก็หาให้ความอยากมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปถ้าเวลาเราไป อยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็จะเสียใจนะ่าอาจจะทำให้เราโกรธคนที่ทำให้เราเสียใจแ้นะจะคิดทำร้ายเขาได้เราก็จะไปทำบาปพอทำบาปแล้วก็จะเกิดโทษตามมาแล้วนะเราต้องรู้จักเหตุจากผลว่าความสุขความเจริญของเรา ด้วความทุกข์ความเสื่อมเสียของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครหรอกเกิดจากการกระทาของเราเองเกิดจากการกระทาเริ่มต้นที่ความคิดก่อนคิดแล้วก็จะไปทำถ้าคิดดีก็จะไปพูดดีทำดีแล้วผลก็คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีคนเขายกย่องสรรเสริญ นับถือข่าวลบถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะเป็นคนไม่ดีไปเราก็จะทุกข์จะมีแต่ความวุ่นวายใจมีความเสียใจมีความเดือดร้อนใจอยู่เรื่อยๆทำไม่ดีก็ต้องไปถูกไปจับลงโทษ อย่างนั้นถ้าไม่อยากจะมีโทษก็อยากไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีให้พยายามเขารบกฎระเบียบกฎต่างๆเพราะกฎระเบียบนี้น่ไว้เพื่อไม่ให้เราไปทำที่อะไรที่เสียหายเช่นเรียนหนังสือก็ต้องทำการบ้านของเราเองอย่าไปลอการบ้านของเพื่อนอะไรอย่างนี้ อย่าไปขโมยข้อสอบต้องต้องเขารบกฎต่างๆของโรงเรียนของสถานที่ที่เราไปอยู่นี่คือการรู้เหตุรู้ผลแล้วเราจะได้ทำเหตุที่ดีคือคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ความเจริญนี้เราหมายถึงเจริญทางจิตใจมากกว่าความเจริญทางเงินทองเข้าของต่างๆคนที่เจริญทางเข้าของเงินทองนี้อาจจะไม่เจริญทางจิตใจก็ได้ทางเขาหาเข้าของเงินทองมาโดยวิธีช่อโกงโด้วยวิธีลักทรัพย์ของผู้อื่นมาจะอาจจะเจริญทางเงินทองทางทรัพย์สมบัติ แต่จิตใจนี้ไม่เจริญจิตใจนี้เสือ่อมจิตใจตกต่ำจิตใจจะไม่ได้เป็นมนุษย์การที่ทำอะไรที่เป็นบาปนี้ถือว่าเป็นการไปเป็นเดรัจฉานแทนเดรัจฉานนี้เขาต้องทำบาปในการดารงชีพของเขาเขาต้องขโมยอาหารของคนอื่นเขาต้องฆ่าเพื่อกินเพื่ออยู่ แต่เราเป็นมนุษย์นี่เราไม่ต้องขโมยไม่ต้องฆ่าเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่อยากที่จะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์เราก็ต้องอย่าไปทาบาปนี่คือการรู้เหตุรู้ผลแล้วข้อที่สามให้รู้ตนรู้ตนก็คือให้รู้จักตัวเราตัวเรานี้ก็มีฐานะที่ต่างๆกันไปเช่น เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้หญิงก็ทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้ชายก็ทำตัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเราไปทำตัวเป็นผู้ชายมันก็จะกลายเป็นคนแปลกไปเป็นผู้ชายไปทำตัวเป็นผู้หญิงก็จะมันก็จะแปลกไปจะทำให้คนเขาไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรกันแน่เขาก็จะไม่ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราก็ได้ เราต้องรู้ฐานะของเราว่าเรามีฐานะอะไรตอนนี้ตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่ของนักเรียนมีถ้าเราโตขึ้นเราเป็นคนทำงานเราก็มีหน้าที่ต้องทำงานคนเหล่านี้ทุกคนต้องรู้จักฐานะของตัวเองรู้จักตนถ้าแต่งงานเป็นสามีเป็นภรรยา ก็มีท่านมีมีหน้าที่ของสามีของภรรยาที่จะต้องทำถ้าไปบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีก็มีหน้าที่มีการกระทำที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ได้บวชตอนที่บวชก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งตอนที่ไม่ได้บวชก็ทำตัวอีกแบบหนึ่งได้อ น, นี้คือการรู้จักตน หรือว่าเราเป็นผู้น้อยนั่นเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่เขาใหญ่กับเราเราก็ต้องให้ความเคารพกับเขาอผู้ที่เขาน้อยกับเราเราก็ต้องให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือเช่นพี่ต้องดูแลน้องช่วยเหลือน้องน้องต้องเคารพพี่ให้เกียรติกับพี่นี่คือเรื่องของการรู้ตน ถ้าเรารู้จักทําตัวของเราให้ถูกกับฐานะของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาข้อที่สี่ก็ให้รู้จักบุคคลก็ให้รู้จักคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็มีหลายฐานะด้วยกันเช่นพ่อแม่เขาก็มีฐานะอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็มีฐานะอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเรียนที่โรงเรียนก็มีฐานะอีกอย่างหนึ่ง คนแต่ละคนนี่เขามีฐานะไม่เหมือนกันแล้วพิธีปฏิบัติต่อคนต่างๆก็ต้องแตกต่างกันไปเช่นคนที่เขาผู้ใหญ่กับเราเราก็ต้องอ่อนน้อมเราก็ต้องนับถือเคารพอย่าไปถ้าเราไม่แสดงความเคารพไม่แสดงความนับถือเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีได้ ไม่รู้จักบุคคลนไม่รู้จักฐานะของบุคคลที่เราไปพบปะหรือเกี่ยวข้องด้วยครูที่น้องเรียนเราก็ต้องเท่าลบต้องเชื่อฟังเพื่อนเราก็ต้องมีความเมตตาต่อกันเพื่อนเรียนเราก็มีเมตตากันอย่าไปเกลียดกันอย่าไปโกรธกันอย่าไปทะเลาะวิวาทกันเพราะการเกลียดการโกรธการทะเลาะวิวาสนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุข เขาก็ทุกเราก็ทุกเวลาเกลียดกันแต่ถ้ารักกันนี่เวลาเจอกันก็จะมีแต่ความสุขดีใจที่ได้พบกับคนที่เรารักพบเพื่อนที่เรารักกันฉนั้นต้องหัดรู้จักแผ่เมตตารู้จักเวลาใครก็ททำอะไรเพื่อนทําอะไรให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียใจก็ต้องให้อภัย <c oughs> อย่าถือโทษโกรธเคืองกั น, กน คิดว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขาทําบ่อยๆเขามีความตั้งใจก็อย่าไปคบกับเขาถ้าคบแล้วมันทําให้เราวุ่นวายใจเราก็หลีกเลี่ยงเสียอย่าไปคบกับเขาถ้าเขาคบแล้วเขาจะมาทำให้เราต้องเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ไม่ควรไปคบกันอันนี้ก็ต้องรู้จักคน เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีถ้าเ็าชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปคบกับเขาชวนเราไปเที่ยวไปเล่นไปหนีโรงเรียนอย่างนี้ชวนให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีทำบาปไปลักขโมยเราก็ไม่ควรที่จะไปคบกับเขาเพราะคบแล้วเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราเสียคนได้ให้คบคนดี คนที่ชอบเรียนคนที่เรียนเก่งๆคนที่ชวนเราไปาไปเรียนหนังสือไปทำการบ้านไปเรียนพิเศษเ อ, อะไร่านี้ให้คบคนที่เขาดีแล้วเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ดีนี่คือต้องรู้จักเลือกคนรู้จักบุคคลที่เราจะคบค้าสมาคมด้วยรู้จักวิธีปฏิบัติกับคนต่างๆ คนดีเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาแต่เราไม่คุกเราไม่คุกคลีกับเขาไม่เกี่ยวข้องกับเขาแยากกันอยู่เราไม่ดีเขาอยากทําเรื่องไม่ดีก็ให้เขาอยู่เข้าไปแต่เราอยากไปทําตามของอยากไปเสียดายว่าคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเขาชวนให้เราไปทําไม่ดีแล้วเราต้องทําตามเขาแต่คิดอย่างนี้แล้ว เ, เดี๋ยวเราจะเสียคนเราจะไม่ดีสู้รักษาตัวเรารักษาความดีเราดีกว่า ยามเสียเพื่อนอย่าเพื่อนที่ไม่ดีเสียไปเถอะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายแต่ถ้าเราเสียตัวเราเนี่จะเสียหายมากถ้าเราทำตัวเราไม่ดีเสียทำให้เราเป็นตัวคนไม่ดีไปนี่เราจะเสียหายมากกว่า น, นี่คือรู้จักบุคคลที่เราพบปะเกี่ยวข้องด้วยแล้วข้อที่สามก็รู้จักสังคมข้อที่ ข้อที่5คือรู้จักสังคมพวกเราทุกคนต้องอยู่ในสังคมกันไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดียวเริ่มต้นก็สังคมในครอบครัวต่อมาก็สังคมในโรงเรียนต่อมาก็สังคมที่ทํางานแล้วก็สังคมส่วนใหญ่คือสังคมของประเทศในแต่ละสังคมนี้เขาก็มีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เราก็ต้องศึกษากนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรเ้วก็พยายามที่จะทำตามเขาอย่าไปทำผิดสังคมถ้าผิดแล้วก็จะอยู่กับสังคมไม่ได้นี่ก็เคยรู้จักสังคม ไปอยู่ที่ไหนเขาจะมีกนบธรรมเนียมมีกฎมีระเบียบอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็จะมีกฎมีระเบียบว่าที่บ้านนี้ห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราอย่างนี้ห้ามโกหกก็ต้องทําตามถ้าไม่ทําตามเดี๋ยวก็จะอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านอาจจะส่งไปโรงเรียนดัดสันดานก็ได้ไปอยู่โรงเรียนกินนอนเพราะว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่เชื่อฟัง ก็ต้องไปให้ไปอยู่ที่อื่นที่ถูกเขาบังคับให้เชื่อฟังก็จะไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แต่ถ้าเขาลบกฎกติกาของพ่อแม่พ่าแม่สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามก็จะอยู่กับพ่อแม่ได้อยู่ที่บ้านได้ไปโรงเรียนก็มีกฎกติกามีธรรมเนียมเหมือนกันโรงเรียนเขาก็มีกฎไปโรงเรียนต้องไปให้ตรงเวลาไม่ใช่ไปสาย บรินสายบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เรียนอย่างี้เรียนก็ต้องสอบก็ต้องผ่านถ้าสอบไม่ได้สอบตกก็เขาก็ไม่ให้เรียนอีกอันนี้ก็เป็นการรู้สังคมรู้กฎกติกาของสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเวลาไปทำงานบริษัทเขาก็มีกฎมีกติกาของการทำงานถ้าเราไม่ทำตามกฎกติกาเดี๋ยวเขาก็ให้เราออกจากงาน นี่คือการรู้สังคมข้อที่ห้าข้อที่หกให้รู้จักกาลเทศะให้รู้ว่าสถานที่เราไปแต่ละครั้งแต่ละแห่งนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เขาเราควรจะทำตัวอย่างไรกับสถานที่ที่เราไปเช่นเวลาไปตรงรีเราก็ต้องแต่งเครื่องแบบไปเวลาเราไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เราก็ ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเราก็ใส่เสื้อผ้าอีกอย่างหนึง่งแล้วเวลาไปที่แบบที่เราก็ต้องรู้จักทําตัวที่ตรงเรียก็ต้องสงบเรียบร้อยถ้าไปเล่นไปเที่ยวกันก็ไปกระโดดโลดเต้นได้เฮฮาตะโกนออกส่งเสียงดังได้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ให้รู้จักกาละเทศะ ร, รู้การลสถานที่ที่เราไปว่า ควรจะทำตัวอย่างไรเช่นมาวัดเนี่ยมาบนเขาเนี่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งฟังอย่างเดียวแล้วไปพูดคุยกันไม่ได้เพราะพูดคุยกันแล้วก็จะไปรบกวนคนอื่นแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องหรือจะไปวิ่งเล่นกันส่งเสียงดังก็ไม่ได้อันนี้คือรู้จักกาลเทสะรู้ว่าควรที่จะกระทำอะไรอย่างไร แล้วข้อสุดท้ายก็คือให้รู้ประมาณรู้ประมาณก็คือรู้ความพอดีคือความพอดีก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นความพอดีในในปัจจัยสี่เช่นอาหารเนี่ยรับประทานอาหารก็ควรจะจ ะ, จะรับให้มันพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายอ้วนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ น้อยเกินไปก็ทำให้ร่างกายผอมก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันตองรับจักกินให้พอดีอย่า ก, กินมากเกินไปอย่า ก, กินน้อยเกินไปกินกินพออิ่มก็พอเสื้อผ้าก็ให้มีพอพอใส่ก็พอถ้ามีเสื้อผ้าพอใส่แล้วก็อย่าไปอยากมีอีกไว้รอให้มันขาดก่อนหรือว่ามันเก่าก่อนหรือว่ามันใส่ไม่ได้แล้วร่างกายเราโตขึ้นใหญ่ขึ้น เสื้อผ้าที่เราใส่มันคับใส่ไม่ได้รองเท้าใส่ไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้ายังมีอยู่มียังใช้ได้อยู่ก็ควรที่จะใช้ไปเพราะว่าการที่อยากจะได้อะไรมากมากนี้มันจะทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปโดยป่าประโยชน์ถ้าเราใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมาก ถ้าเราหาเงินไม่พอใช้เราก็จะเดือดร้อนได้เราก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงแต่ถ้าเรารู้จักประมาณในการใช้จ่ายใช้จ่ายกับในสิ่งที่จำเป็นเราจะไม่จะไม่มีปัญหากับเรื่องเงินทองขาดแคลนเวลาอยากจะได้อะไรถ้ามันไม่จำเป็นก็อย่าเอามัน ถามว่าถ้าอยากได้สิ่งนี้แล้วถ้าไม่ได้จะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นเพื่อนเขามีแต่เราไม่มีเราไม่ตายก็ไม่เป็นไรให้ปล่อยเขามีไปเพื่อนเขามีของเล่นนีนู่นนีนี่เราไม่มีเราอย่าไปตางเขาเพราะว่าเราจะดีกว่าเขาถ้าเราอยู่แบบไม่มีได้เพราะเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปหามัน ถ้าเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อก็อยากจะได้ของใหม่ ก, ก็ต้องไปมีต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะเสียใจทุกใจให้เรารู้จักประมาณในการมีของที่เราจำเป็นจะต้องใช้อาหารก็พอประมาณเสื้อผ้าก็พอประมาณ ที่อยู่อาศัยเราก็มีแล้วอยู่กับพ่อกับแม่อย่ารักษาโรคเวลาไม่สบายพ่อแม่ก็พาไปรักษาอยู่แล้วนั้นเราไม่มีอะไรที่ต้องควรจะมีไม่ควรจะอยากได้อะไรถ้าไม่มีความอยากได้แล้วจะสบายใจไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมากังวลว่าจะได้เมื่อไหร่ขอแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีรออยู่นั่นพอไม่ได้ก็เสียใจ บางทีพ่อแม่เขาก็อยากจะให้แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อให้เราเพราะเขามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นต้องใช้ก่อนนี่คือเรื่องของความรู้ที่ทางศาสนาสอนให้มนุษย์ควรจะรู้กันคือให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณ ถ้ามีความรู้หลังนี้แล้วสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ชีวิตรับรองจะไม่มีวุ่นไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆจะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจะมีแต่ความสุขและความเจริญอย่างเดียวการที่จะสอนลูกๆพ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้เป็นผู้กระทำก่อน พ่อแม่ก็ต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักสังคมรู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณแล้วก็ทาตัวให้ถูกต้องเมื่อเราทําตัวถูกต้องลูกเขาก็จะทําตัวของเขาถูกต้องตามเราแล้วลูกเขาก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องของเด็กๆคนนี้ วันนี้เห็นมีเด็กมาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดก็เลยพูดเรื่องราวเหล่านี้ให้พ่อแม่ฟังและให้ลูกๆฟังด้วยเพื่อจะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏติตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณิโชติ so ภราสุยถาสภิติโยวิวัชตุสัพพโรโคเวนะสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภพะอภิวาทนศีลสนิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมวทาติอายุวันโอสุขาง คำถามจากคุณรัชดาพรทำบุญวางศีลาเริกสร้างโบสถ์สร้างกุฏิเขียนชื่อสกุลใส่แผ่นทองเงินนาคแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะปัจจัยเป็นเงินหามาร่วมกันคะ่ะพือการทำบุญเนี่ย จะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อมันไม่ใช่เป็นประเด็นมันไม่ได้ทำให้มีบุญมากขึ้นหรือบุญน้อยลงบุญอยู่ที่การเสียสละของเราเช่นเราเสียสละเงินก้อนนี้ไปจะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างอะไรอันนั้นบุญอยู่ที่ตรงนั้นแต่จะใส่ชื่อพ่อใส่ชื่อแม่จะใส่ชื่อใครนี้มันมันไม่ได้เป็นส่วน คือถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนทาบุญเขาก็ไม่ได้บุญเช่นถ้าเขาตายไปเราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทำนี้ให้เขาได้แั่เป็นบุญส่วนย่อยบุญส่วนใหญ่นี้เป็นของเราบุญที่เราอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นบุญส่วนย่อยพระอาจารย์ชอบคะครับ ถามต่อค่ะถ้าเงินของพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วแต่ว่าเงินเขายังอยู่ตัวนี้เขาไม่ได้ให้ใครเราเอาเงินเขาไปทําบุญพ่อแม่จะได้ไมิค้าหรือเราได้ก็มันเป็นของใครละของพ่อแม่แลเป็นของเราละเป็นของพ่อแม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ใครไม่ให้ใครแล้วเราเราเอาไปใช้ได้ยังไงถ้าเขาตายไปแล้วมันก็ต้องเป็นของลูกไปใช่ ไ, ไหมมันมันเป็นมาหลดตกทอนะ พ่อแม่ก็จะได้บุญตอนที่พ่อแม่ให้ลูกทีพ่อแม่ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายถึงจะได้บุญเพราะจะรับรู้ใจจะมีการรับรู้และมีการเสีสะละเราจะเกิดความสุขใจจากการที่ได้ให้ไปแต่ถ้าไม่ได้ให้ตายไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญอะไร ถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องให้ก่อนที่ตายคำถามจากคุณจันทิราจากขอโทษค่ะจากคุณบิร่บิร่การพนันผิดศีลหรือไม่ครับมันเป็นอบายมุขมันไม่ผิดศีลแต่มันจะพาให้ไปสู่การผิดศีลต่อไปเช่นเล่นการพ น, น, นันแล้วเงินหมดเนี่ยก็ต้องไป ขโมยเงินมาเล่นต่อคำถามจากคุณท c ซวอินผมฝึกดูจิตด้วยตนเองโดยฟังใน YouTube เมื่อคืนผมฝึกปล่อยจิตว่างจิตให้จิตว่างไม่คิดอะไรตื่นมาตอนเช้ามีความรู้สึกจิตมันชื่อชืดอกลางๆได้ยินอะไรก็รู้สึกเฉยๆไม่ทราบเกิดจากสภาวธรรมอะไรครับ และที่ผมฝึกปล่อยวางจิตมันถูกต้องหรือไม่ครับถ้าไม่ถูกต้องมีวิธีฝึกอย่างไรครับมันอาจจะปล่อยแบบยังไม่ได้ปล่อยคือปล่อยแบบฝืนปล่อยถ้ามันปล่อยโดยโดยที่มันปล่อยจริงๆนี้มันจะมีความสุขมากเวลาที่เราปล่อยวางอะไรได้ใจเราจะมีความสุขใจเราเฉยแต่ไม่ได้เฉยแบบจืดชืดเฉยแบบมมีความสุข แต่ถ้าเราเฉยแบบจืดชืดนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเหมือนกับเราบังคับให้มันปล่อยฝืนมันไม่ให้ให้มันปล่อยแต่มันยังไม่ปล่อยจริงถ้าจิตสงบแล้วมันจะปล่อยจริงจิตรวมแล้วมันจะปล่อยทุกอย่างปล่อยแม้แต่ร่างกายแต่ถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่มันก็อาจจะเป็นแบบว่าปล่อยแบบถูกบังคับด้วยสติคอยกดมันไว้มันยังไม่ได้ปล่อยแบบจริง ก็เลยอาจจะรู้สึกจืดชืดไม่มีความรู้สึกดีถ้าปล่อยจริงๆจิตสงบจริงๆนี่จิตจะมีความสุขมาก <c oughs> ยันก็ต้องนั่งสมาธิต่อไปเวลานั่งก็ต้องให้จิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปนั่งเฉยเฉยนั่งแล้วต้องอยู่กับพุทธโธแล้วนั่งแล้วต้องเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตมันจะรวมแล้วจะสงบ แล้วมันจะป่อมันจะว่างมันจะเบาจะเย็นจะมีความสุขมากคำถามสักท่านเดียวกันค่ะคนที่บวชหลายๆรอบถือว่ามีบุญไหมครับจะดีหรือเปล่าครับคงจะมีบุญแต่บุญน้อยมัองบุญแบบขาดๆตอนๆเป็นขาดตอนบวชไปแล้วเดี๋ยวพอบุญหมดก็สึกแล้วเดี๋ยวพอได้บุญใหม่มาก็บวชใหม่เดี๋ยวบวชไปปั๊บเดี๋ยวบุญหมดก็สึกอีก อันนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนเหมือนกับรถที่วิ่งแล้วจอดวิ่งแล้วจอดนะไม่เหมือนรถ ด, ด่วนที่เขาวิ่งแล้วเขาไม่จอดวิ่งไปจะวิ่งไปจะจอดก็เมื่อถึงสถานีถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นคนที่บวชแล้วไม่สึกนั่นแหะเป็นคนที่มีบุญมากคนที่บวชแล้วสึกบวชแล้วสึกนี่เป็นแบบพวกที่มีบุญแบบขาดตอนขาดเป็นช่วงๆไปพอบุญหมดก็หยุดก็สึก ออกมาก่อนเดี๋ยวพออยากจะทำบุญก็กลับไปทำใหม่คาถามสกุลเป็นอิสระการที่เรารู้สึกอิ่มสุขใจเกิดความปิติในใจที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือผลของการรับศีลแปดหรือการเจริญภาวนาคะแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรค ะ, ะก็แล้วแต่ว่าเราทำอะไรมันความสุขใจอิ่มใจปิติใจมันเกิดขึ้นจากการกระทาได้หลายอย่าง ถ้าเราทาบุญทาทานเราก็เกิดความสุขใจปิติได้ถ้าเรารักษาศีลก็เกิดได้ถ้าเราภาวนามันก็เกิดได้แต่ความสุขความปิติของแต่ละระดับนี้มันก็อาจจะต่างกันระดับทานก็อาจจะน้อยกว่าระดับศีลระดับศีลก็อาจจะน้อยกว่าระดับภาวนาแต่มันก็เกิดได้ทุกระดับของการปฏิบัติเรื่องปิติเรื่องความปิติเรื่องความสุข คำถามจากคุณจอยเราทำบุญแล้วขอใบอนุโมทนาในชื่อน้องสาวเพื่อให้น้องสาวใช้ลดหย่อนภาษีทำแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะาไม่ผิดแล้วเพียงแต่ว่าเราทำน้อยลงไปไงแทนที่จะทำร้อยหนึ่งเราก็ทาเพียงเ0้าสิบเพราะอีกสิบบาทเราไปขอคืนถ้าเราอยากจะทำบุญร้อยบาทเราก็ไม่ต้องไปขอลดหย่อนภาษีก็ทำไปทั้งร้อยบาทที่แสดงว่าเราไม่ได้ทำร้อยมาทาแค่เก้าสิบ เพราะว่าเราไปขอลดหย่อนภาษีมาเอาเงินคืนมาอย่างนั้นบุญก็ไม่ได้เต็มร้อยเท่านั้นเองคําถามสกุลเพชรอุดมศรีเวลานั่งสมาธิบางครั้งจะรู้สึกเหมือนกายไม่ใช่จิตบางครั้งเหมือนกายเป็นกายนั่งอยู่เฉยๆและบางครั้งในชีวิตประจำวันเห็นตัวเองในคลิปวิดีโอก็รู้สึกเหมือนว่านั่นเป็นแค่ร่างกายของเราความคิดเหล่านี้คืออะไรคะก็เป็นความคิดเ่ย ความคิดนี us, code, it, ้จะต้องได้จะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราใช้กับความจริงได้หรือไม่เช่นเราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราแล้วเราปล่อยมันได้หรือไม่เราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้หรือไม่ถ้าคิดแล้วปล่อยไม่ได้ความคิดนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นความคิดอย่างเราคิดว่าเรารวยนี้แล้วเรามีเงินตามที่เราคิดหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีเงินตามที่เราคิดมันก็เป็นแค่ความคิดเราคิดคิดว่าตอนนี้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินแสนล้านก็คิดได้แล้วเวลาจะเอาเงินแสนล้านมาใช้นี่มีมีมีให้ใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีให้ใช้มันก็เป็นแค่ความคิดความฝันไปเท่านั้นเองเหมือนกันถ้าเราไปคิดว่าเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่พอเวลาร่างกายหิวก็เดือดร้อนขึ้นมา เวลาร่างกายเจ็บก็เดือดร้อนขึ้นมาอันนี้ก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความคิดมันไม่ตรงกับความจริงถ้าเป็นความจริงเวลาร่างกายหิวก็ต้องไม่เดือดร้อนได้หิวก็ปล่อยมันหิวไปมีก็กินไม่มีก็ปล่อยมันหิวไปอย่างพระพุทธเจ้าอดข้าวลงสี่สิบเก้าวันใช่้หมันไม่เดือดร้อนอย่างนี้ถึงจะถึงจะมีประโยชน์เพียงแต่คิดเฉยๆนี่มันเป็นความคิดใครก็คิดได้ คิดเป็นนายกก็เป็นได้ตอนนี้เราก็คิดว่าเราเป็นนายกเนี่ยแต่เรามีลูกน้องหรือเปล่าสั่งให้ลูกน้องทําอะไรได้หรือเปล่าทำไม่ได้ก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองเนี่ถามฝากถามค่ะหากพระจะศึกจําเป็นไหมต้องหาเลิกศึกก็แล้วแต่ว่าคนที่เขาเชื่อเลิกเขาก็จะหาเลิกก่อนที่เขาไม่เชื่อเลิกเขาก็จะเขาก็ศึกตามอัธยาศัยของเขา ได้ทั้งนั้นจะมีเลิกกรได้ไม่มีเลิกกรได้คำ ถ, ถามจากทางยูทูบนะคะเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธเวลาเราเจอสิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้องเป็นเพราะเรามีความอยากใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นความอยากในสิ่งที่ถูกต้องแต่เวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะขอบพระคุณคะ่ะนั่นแหละเวลาเราไปอยากเราไม่ได้ทําใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมา เเวลาเราเห็นอะไรเราก็อย่าไปโกรธถ้าเราไม่อยากโกรธก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวทนาก็เหมือนกันเวลามันเจ็บแต่ถ้าอยากให้มันหายมันไม่หายมันก็จะทุกข์มันก็จะโกรธจะเสียใจก็ปล่อยให้มันให้มันเป็นไปตามตามเรื่องของมันแล้วเราก็จะไม่โกรธไม่เสียใจหมดแล้วเลหมดแล้วใช อ, อันนี้คำถามไม่น้อย เดี๋ยวก็รอคำถามส่งเข้ามาเรื่อยๆฆ่ า, าแรงสาเกิดทุกวันเป็นบาปไหมคะบาปสิก็ฆ่าของก็จะบาปเลยที่บาปมันมีบาปหนักบาปเบาบาปหนักอยู่ที่ผู้ที่ถูกฆ่าว่ามีคุณมีประโยชน์มาก ถ้าเป็นคนมีคุณมามีบุญคุณมากมีประโยชน์มากก็บาปมากเช่นค่าพ่อค่าแม่เนี่ยบาปหนักกว่าค่าคนที่ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เช่นตำรวจไปยิงผู้ร้ายเนี่ยไปจับผู้ร้ายแล้วต้องยิงเขาตายอย่างนี้บาปไม่หนักเหมือนกับตำรวจไปยิงพ่อแม่ของตนเอง คำถามจากคุณเก่งจริงไหมครับที่ว่าถ้าคารวาบรรูุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วถ้าไม่บวชจะต้องตายภายในเจ็ดวันมันไม่จริงหรอกเพราะว่าการบรรลุธรรมนี้ไม่ได้ไปทำให้ร่างกายเป็นมะเร็งขึ้นมาหรือเป็นโรคหัวใจขึ้นมามแล้นมันจะไปตายได้ยังไงการบรรลุธรรมนี่เป็นการทําลายกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจ ใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนสองคนใจนี้เป็นคนหนึ่งร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับใจไม่ได้เกี่ยวขึ้นกับร่างกายนั้นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ไม่มีคําำพีคําสอนของพุทธเจ้าที่ไหนที่สอนว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันจะต้องตายนี้ไม่มีในคัมภีร์ไม่มีในคําสอนเป็นแต่ความคิดของคนที่ไปอ ไปคิดกันเอาเองเท่นั้นเองเพราะมันมีเรื่องที่ทำให้เขาคิดได้คือมีคารวาสอยู่คนหนึ่งไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาก็จะขออนุ ญ, ญาตไปเตรียมเตรียมตัวบวชระหว่างไปเตรียมตัวบวชก็ถูกกระทิงขิดตาย เ, าเขาก็เลยว่าเนี่ยมันเป็นพอบรรลุแล้วไม่ได้บวชก็ต้องตายไม่ได้บวชภายในเจ็ดวัน อีกกรณีหนึ่งก็พ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่ออพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเจดวันก่อนตายที่ที่เจ ท, ที่จะตายเพราะว่าตอนนั้นไม่สบายไม่สบายมากแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดสอนธรรมะที่ที่ข้างเตียงสอนให้ท่านบรรลุธรรมพอท่านบรรลุธรรมแล้วร่างกายก็อยู่ต่อได้เจวันก็ตาย แต่ความจริงจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมร่างกายมันก็ต้องตายของมันอยู่แล้วนั้นเป็นเรื่องบังเอิญก็ เ, เลยทําให้คนไปคิดว่าเนี่ยพอบรรลุถ้าเป็นฆราวะแล้วบรรลุถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเจวันอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นผ้าอาหารแล้วจะต้องไปบวชภายในเจวันไม่เช่นนั้นจะต้องตายนี่ไม่มีในคําสอน คำถามจากคุณธวัชชัยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งความรู้สึกเหมือนฝันเป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวซึ่งเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นและมั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากการคิดไปเองเกิดขึ้นระยะเวลาสั้นๆประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็รู้สึกตัวขอเรียนถามด้วยค่ะว่ามันเป็นลนักษณะอย่างไรครัถ้ามั่นใจแล้วมาถามมันทาไมนะถ้ามั่นใจมันไม่เป็นความคิดแล้วมันมาถามเรา ก็แสดงว่าไม่มั่นใจแล้วสิมันก็เป็นภาพที่อยู่ในใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ล่ะเราก็ต้องรอเวลาให้มันเกิดขึ้นเองเช่นเราเห็นว่าเขาตายเราก็รอดูว่าเขาตายจริงอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าก็เท่านั้นเองถ้าเขาตายจริงอย่างที่เราเห็นก็แสดงว่าเรามีตาทิพย์เนี่ยเรามองเห็นอนาคตได้แต่ถ้าเรามองว่าเขาตายแต่พอถึงเวลาเขาไม่ตาย แสดงว่าตาเราเป็นตาถั่วคำถามจากคุณพงพักวงจรปฏิจจสมุ ป, ปบาทคืออะไรเจ้าคะพอปฏิจจสมุปบาทเขาแสดงการทํางานของใจไงของใจเราเนี่ยใจเราจะทํางานตั้งแต่พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาใจเราก็จะคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าวันนี้จะไปทําอะไรดีอ่ วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปหาความสุขที่ไหนดีพอคิดแล้วก็สั่งให้ใจมาที่ร่างกายมาคิดว่าจะไปฮะไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มก็ต้องสอง่สงใจสง่สงใจไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็พอตาลืมตาเห็นรูป ก, ก็ได้เสบรูปได้ยินเสียงขึ้นมาได้สัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส พอได้สัมผัสรับรู้ก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเห็นรูปที่เราชอบก็ดีใจมีความสุขเห็นเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์ใจพอเกิดเวทนาเกิดความสุขความทุกข์ใจก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเจอสิ่งที่เราชอบเรามีความสุขเราก็อยากได้อยากให้อยู่กับเราไปนา น, าน ถ้าเจอสิ่งที่เราไม่ชอบทําให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อยากจะให้มันหายไปเร็วๆอันนี้ก็เป็นตันหาความอยากพอมีตันหาความอยากมันก็จะมีความยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อะไรมาได้สิ่งที่เราชอบไปยึดติดหวงนักไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็ไปตามหามันใหม่ก็ไปเกิดใหม่สมมติพอร่างกายนี้ตายไปเราเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เรารักไป เราก็อยากเรายังเรายังยึดติดอยู่เรายังอยากให้มันมีอยู่กับเราอยู่เราก็ไปหาใหม่เราก็ไปไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราก็เลยต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่นี่คือการทํางานของใจเราที่ทําให้เราต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราไปคิดว่าการมีร่างกายการไป การกา ร, การมีตาหูจมูกลิ้นกายจะทำให้เรามีความสุขเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีความสุขแต่พอเสบแล้วเราก็ติดอยากจะเสบอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เนี่คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของการทำให้เราต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณเครือวนัน การถวายพระพุทธรูปมีอ น, นิสงส์อย่างไรเจคะก็เหมือนกับการถวายของต่างๆเป็นทานอย่างหนึ่งเราพุทธรูปก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งเราเรียกว่าวัตถุทานก็ได้บุญคือได้เสียสละเงินทองในการสร้างพระพุทธรูปก็เหมือนกับการเสียสละเงินทองถวายจีวรหรือสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิหรือใส่บาตอันนี้ก็เป็นทานเหมือนกันเป็นการเสียสละเงินทองเหมือนกัน เพียงแต่ประโยชน์การใช้งานก็ต่างกันไปถ้าสร้างกุฏิพระก็จะได้มีที่อยู่อาศัยถ้าถวายจีวรพระจะได้มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ถ้าสร้างพระพุทธรูปก็จะได้มีอะไรมาคอยสักไห ว, ว้กราบสักการละเท่านั้นเองประโยชน์ของของสิ่งที่เราให้นี่ต่างกันแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากการให้นี่เหมือนกัน<ม>คือบุญเป็นบุญได้บุญเหมือนกัน คำถามจากุนไพโรธถ้าพระท่านบวชนานแต่ถือศีลไม่ครบและยังทำผิดศีลและท่านยังจะมีบุญเยอะไหมครับไม่หรอกบุญก็เกิดจากการที่รักษาศีลรักษาศีลได้มากก็ได้บุญมากแล้วนอกจากบุญจากการรักษาศีลแล้วยังมีบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอกีกอันนี้ก็ต้องถ้าอยากจะมีบุญมาก นอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องนั่งสมาธิต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาและสามารถตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงได้อันนี้ถึงจะได้บุญมากที่สุดแต่ถ้าบวชแล้วก็ไม่ไม่ศึกษาไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติมีแต่บิณฑบาตหรือว่ามีแต่คอยไปสวนเอาเอาเงินเอาทองเอาอะไรอันนี้ก็จะไม่ได้บุญได้แต่เงินทอง ก็เป็นเหมือนอาชีพอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักบวชจริงถ้านักบวชจริงนี่ต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมแต่ถ้าบวชแล้วมามาสวดมาสวดแล้วมารับสังฆทานรับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้เข้าของเงินทองแต่จะไม่ได้บุญบุญของพระนี่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติ คำถามหมดเจ้วค่ะหมดนะ ม, มีใครสงสัยอะไรไห ม, มถามเลยคำมาใกล้ๆหน่อยก็ได้มีหนูส่งไม้มไปให้เพื่อนก็ได้พูดผ่านทางไม้ก็ได้ลองพูดใกล้ๆปากเลยทำไมดังๆเลยทำไมนั่งสมาธิเฉยๆมันเป็นบุญเยอะ คำว่าบุญก็คือความสุขใจแล้วความสุขใจที่ดีที่สุดก็คือความสง บ, บของใจ<ม>เวลาใจนิ่งนี้ใจจะมีความสุขมากมบุญก็คือความสุขใจทําบุญนี่ก็สุขใจแต่สุขน้อยกว่าการนั่งสมาธิออลองนั่งดูสิเราจะรู้เอง คำว่าบุญนี่แปลว่าสุขความสุขใจเเวลาเราทำบุญแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่พอเราได้ทำบุญแล้วเราจะเกิดความสุขใจบุญก็มีสามระดับบุญที่เกิดจากการให้ข้าวของเงินทองแก่ผู้อื่นเเวลาเรามีของที่เราลักเราหวงแล้วเราให้ให้น้องไปให้เพื่อนไปนี้เราจะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งแล้วบุญขั้นที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปทำบาปเช่นเพื่อนเขาด่าเราเราก็ไม่ไปด่ากลับเราเฉยเฉยเราให้อภัยเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปแต่เราจะไม่ด่าเขาเราจะไม่โกรธเขาเราก็จะสบายใจเราก็จะมีความสุขใจแต่ถ้าเราไปโกรธเขาเราก็จะร้อนใจเราก็จะร้อนขึ้นมาใจเราจะทุกข์ขึ้นมา อันนี้ก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เป็นความสุขมากกว่าบุญที่เกิดจากการให้ข้าวให้ของคนอื่นแล้วความสุขที่สุความสุขที่มากกว่านี้ก็คือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วทาใจให้สงบใจสงบนิ่งแล้วใจจะมีความเย็นสบายอันนี้ก็ต้องลองไปปฏิบัติ ด, ดูถึงจะรู้ต้องหัดทำจากง่ายไปหายาก ขันที่ง่ายที่สุดก็คือการให้ข้าวของเงินทองเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราแบ่งให้เพื่อนฝูงไปให้คนที่เขาไม่มีไอ้แล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาข้อที่สองยากหน่อยคือการการที่ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเวลาใครเขาทำร้ายเราเรามักจะต้องไปทำร้ายเขาถ้าเราหักห้ามใจเราไม่ไปทำร้ายเขาได้ใจเราก็จะเย็นจะสบาย ถ้าเราไปทําร้ายเขาแล้วใจเราก็จะร้อนขึ้นมาใจจะเดือดร้อนขึ้นมาแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้พุโทโธพุโทโธควบคุมความคิดได้ไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจนิ่งแล้วจะเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการทําทานพะอาจารย์ครับถ้าถ้าเราทําทานกับรักษาศีลสองอย่างเรา ไม่ถ้าเราไม่ภาวนานี่เราไม่มีสิทธิ์ได้เป็นพระสวัสดิบาลใช่ไหครับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่พอมันได้แต่เป็นเทวดาใช่ัหยครับเหมือนกับเรียนแค่มัมธยมหกนี้ไม่ได้ปริญญา อ, อยาจะได้ปริญญาก็ต้องไปเรียนต่อ อ, อกีกสี่ปีถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยะเจ้าก็ต้องไปเรียนตรตดับปริญญาต้องไปนั่งสมาธิแล้วก็ต้องไปสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตัด กิเลสตัณหาพอตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะได้เป็นพระอริยะบุคคลสี่ขั้นด้วยกันเหมือนเหมือนปริญญาสี่ขั้นขั้นแรกเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิรดาคามีขั้นที่สาเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์อันนี้การทําบุญทําทานรักษาศีลไม่มีกําลังพอที่จะไปฆ่าทําลายกิเลสที่ทําให้ ที่ทำให้เราเป็นปุถุชนกันถ้าเราทําลายกิเลสได้จิตของเราก็จะกลายเป็นพระอริยะเจ้าไปถ้าทําบุญทําทานเราก็จะไปสู่สวรรค์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากบุญที่เราทําหมดไปพอบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรายังมีความอยากอยู่ แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้านีท่ท่านจะไม่มีความอยากท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอการจะเป็นพระอริยเจ้าต้องตัดความอยากเป็นอยากดูอยากฟังนี่จะต้องตัดไป อ, อยากเที่ยวอยากมีอยากเป็นอยากทั้งอะไรต่างๆนี่ต้องตัดมันไปพอตัดแล้วมันก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด ม, ม, มีคำถามใหม่เข้ามามค่ะ คำถามสกุลเครือวันเป็นเทวดาจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่ามีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมหรือไม่ช่วงที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมทุกคืนเทวดาคนลงองคไหนสนใจจะมาฟังธรรมก็มาฟังได้นี่ก็อยู่ที่ว่ามีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือไม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เข้าเฝ้าเข้าเฝ้าไม่ได้ คำถามจากคุณแมวเวลาทำบุญหากทำกับพระที่เรามารู้ภายหลังว่าเป็นพระปลอมหรือประชิกเรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบใจจะเปรียบเสมือนการหวานเมล็ดพันธุ์ลงบนกรวดทรายจึงไม่เกิดการงอกงามใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกก็หมายถึงว่า ไม่เข้าใจว่าคําถามนี้คําถามอะไรทำบุญกับเขามาแล้วแล้วเหมันก็เราทําหวานเมล็ดพืชที่ไม่เอ่อลองมันปวดทรายไม่ใช่แบบนาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะออ๋ไม่เกิดก็ไม่เกิดผลบุญที่ดีใช่ไหมเจ้าคะหรือไม่ได้บุญน้อยได้ไม่ได้บุญมากคือบุญที่เราทํากับผ้านี่มันมีสองส่วนไงบุญส่วนหนึ่งที่เกิดที่ใจเรานี่มันได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าดีก็ไม่ดี เกิดบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองของเราไปซื้ออาหารใส่บาตรนี้เราใส่ให้กับพระดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้แต่เราเรารู้ว่าเขาเป็นพระแล้วเราอยากจะสนับสนุนเราก็เลยเสียสละเงินทองนี้ไปซื้ออาหารใส่บาตรเราก็ได้บุญอันนี้บุญอันนี้ไม่ว่าจะให้กับพระดีหรือไม่ดีก็เท่ากันเกิด ค, ความความเสียสละความบุญที่เกิดจากการเสียสละนี้เท่ากัน แต่บุญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับนี้อาจจะไม่ได้ถ้าเป็นพระที่ไม่ดีอันนี้คือบุญที่เราจะได้รับจากพระคือคำสอนของพระถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงท่านก็จะสอนธรรมะขั้นสูงให้กับเราได้ถ้ามีพระถ้าเป็นพระปลอมเขาก็จะไม่มีคุณธรรมเขาก็จะไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ที่จะมาสั่งสอนเราส่วนนี้เราก็จะไม่ได้ แต่ถ้าเราทาบุญแล้วเราไม่ทาบุญกับพระดีหรือไม่ดีแต่เราไม่ไปฟังธรรมก็เท่าเทวาเราสละสิทธ์บุญส่วนนี้ไปใ่เวลาเราใส่บาทแเราก็ไม่ได้ไปตามที่ไปที่วัดนอกจากถ้าเรารู้ว่าพระองค์นี้มีมีธรรมะมีอะไรที่เราต้องการเราก็ต้องตามไปที่วัดเพื่อจะได้ไปฟังธรรมเราถึงจะได้บุญส่วนนี้ที่เรียกว่านูนนาบุญนี่น คำถามส า, ากคุณมสัสการมีคนเคยแนะนำให้กำหนดลมหายใจแบบตามลมหายใจที่เข้าไปในจมูกแบบนี้จะดีกว่าการกำหนดอยู่ปลายจมูกคอยดูลมเข้าออกหรือทำได้สองแบบแล้วแต่ความถนัดแต่ละบุคคลเจ้าคะก็ลองทำดูสิอะไรจะดีเท่ากับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพูดไปก็เดี๋ยวก็ก็สงสัยอยู่นั่นวิธีที่จะให้มันหายสงสัยก็ ลองทดลองดูลองวิธีนี้แล้วลองวิธีนี้เหมือนกับกินขนมกินขนมอย่างนี้แล้วก็กินขนมอย่างนี้จะได้รู้ว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันใช่ไห ม, มานั่งถามแล้วไม่กินมันก็จะไม่รู้อยู่นั่นนั้นก็ทาไปเลยถ้าเราสงสัยว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเราที่ถูกกับเราเราก็ทำไปแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นจากวิธีที่เราทำก็แล้วกันค่ะคำถามสกวุนาวดี การที่คนเราเจอสิ่งเดียวกันแต่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆที่ไม่เหมือนกันเกิดจากอะไรคะแล้วจะกแก้ไขอย่างไรคะให้รู้สึกถูกต้องก็เกิดจากความชอบหรือไม่ชอบที่เคยฝังใจลงมาเนคนสองคนเห็นเสื้อสีส้มเ น, นี่ยคนนึงชอบอีกคนหนึงไม่ชอบเพราะคนที่ไม่ชอบนี้เคยไม่ชอบสีส้มมาตลอดชาติก่อนๆ ก, ก็เกลียดสีส้มเนี่ยแต่คนหนึ่งนี้ ชาติก่อนก่อนก็ชอบสีส้มมันก็เลยมีความชอบไม่ชอบเหมือนกันเหมือนคนที่ถนัดมือซ้ายมือขวานี่ก็เหมือนกันคนที่ถนัดมือขวาก็คือชาติก่อนเคยใช้แต่มือขวา ม, มาตลอดมันก็ติดเป็นนิสัยมาอีกคนที่ถนัดมือซ้ายก็เพราะว่าเขาเคยใช้แต่มือซ้ายมานี่ความชอบไม่ชอบความถนัดหรือไม่ถนัดนี่มันมันเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ในใจเรา ไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายตายไปนี้มันไม่ได้เอานิสัยต่างๆของเราไปเพราะนิสัยของเรามันอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจนี่แหละที่ไปมีร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็จะมาชอบไม่ชอบเหมือนเดิมคยชอบสีส้มก็จะชอบเหมือนเดิมคยเกลียดสีส้มก็จะเกลียดเหมือนเดิมคยชอบเคยเคยชอบกินกล้วยก็จะกินกล้วยเคยชอบ ก, ก, กินส้มก็จะกินส้ม อันนี้มันจะเป็นของที่ติดตัวมาแต่ของพวกนี้เราเปลี่ยนได้แก้ได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้แต่เราต้องฝืนใจบังคับใจเช่นเราชอบดื่มสุราอย่างงี้ยพอเรามาได้รับความรู้ว่าการดื่มสซรานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเวลาเราก็ต้องฝืนใจเวลาอยากจะดื่มก็อย่าไปดื่มมันถ้าเราฝืนไปไเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปความชอบดื่มสซรามันก็จะหายไป เราก็จะเริกดื่มสุราได้หรือถ้าการทําความดีเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเรามาเรียนรู้ว่าทําน้วดีเช่นมานั่งสมาธิแล้วทําใจให้เราสงบมีความสุขมาก <S <S มเราไม่ชอบนั่งเราก็บังคับใจเราให้นั่งฝืนเหมือนบังคับเหมือนนั่งไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะนั่งได้เราก็จะเราก็จะถนัดเราก็จะชอบขึ้นมาดังนั้นทุกอย่างที่เราเปลี่ยนได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราเปลี่ยนให้ ชอบก็ได้สิ่งที่เราชอบสิ่งเปลี่ยนให้เราไม่ชอบก็ได้คําถามฝากถามค่ะถ้าพ่อมีอาการเจ็บป่วยหนักถึงขั้นพูดไม่ได้แต่ท่านไม่เคยบอกกล่าวไว้ว่าจะให้หมอช่วยชีวิตท่านขนาดไหนถ้าหมอถามลูกว่าจะให้ช่วยชีวิตขนาดไหนเช่นเจาะคอหรือปั๊มหัวใจถ้าลูกตัดสินใจว่าไม่ช่วยเพิ่มเพราะไม่อยากให้ท่านทรมานลูกจะบาปไหมคะไม่บาหรอก พราะว่าเราไม่ได้ไปสั่งให้หมอฆ่าเขาเรากันเป็นแต่สั่งให้หมอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รักษาเกินเกินความอโดนความเหมาะสมะถ้าหมอเห็นว่าสมควรจะรักษาก็ปล่อยให้หมอก็ตัดสินใจให้เราก็ได้คําถามจากคุณทิติทําไมคนเราถึงต้องเรียนหนังสือครับบางคนเรียนไม่จบกลับประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไม่จําเป็นต้องเรียน ก็เพราะว่า <Guild> ท <aln> <ified> <pag> ี่เราเรียนเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็ต้องเรียนเช่นเราไม่รู้กอไก่ขอไข่เราก็ต้องเรียนกไก่ขอไข่เราถึงจะรู้ว่ากอไก่ขอไข่นี้เป็นยังไงเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษมั้นไม่น่าจะถามในคําถามอย่างนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยทำไมต้องเรียนวะ คำถามจากคุณพนมพรค่ะขอคําแนะนําที่ให้เห็นทางพ้นทุกข์ครับเมตตาด้วยครับทางพ้นทุกข์ก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้าไงเป็นทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญละ บ, บาปให้ชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี่คือทางพ้นทุกข์ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็พยายามทําบุญให้มากๆแล้วก็พยายามละ บ, บาปให้หมดอย่าไปทําบาปอย่าไปเสพอบายมุข แล้วก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์เราคำถามจากคุณไพโรธกระผมตื่นตีสองทำวัดสวดมนต์เสร็จและเดินจงกรมประมาณสองชั่วโมงนั่งสมาธิได้แค่หนึ่งชั่วโมงสี่สิห้านาทีนั่งได้ไม่นานเหมือนเดิมอย่างนี้จะได้บุญไหมครับก็ยอยู่ที่ว่านั่งแล้วสงบไม่สงบไม่ใช่อยู่ที่เวลา ถ้านั่งแล้วใจไม่สงบยังคิดยังปรุงแต่งอยู่ก็ยังไม่ได้บุญแต่ถ้านั่งแล้วสงบ ก, ก็จะได้บุญนั้นอยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบเมื่อนั่งสมาธิถ้ายังไม่สงบ ก, ก็แสดงว่ายังไม่ได้บุญยังไม่ได้ผลแต่ก็แต่ก็ต้องนั่งเพราะว่าเราต้องนั่งก่อนมันถึงจะได้ถึงจะสงบช่วงที่เรานั่งนี้เหมือนเหมือนช่วงที่เราปลูกต้นไม้ เราอยากมีผลไม้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนปลูกไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็ออกออกผลไม้ออกมาถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เลยเราก็จะไม่มีผลไม้อะยังนั้นการนั่งนี้ที่เรียกว่าไม่ได้บุญก็คือว่ามันยังไม่ได้ผลแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําเพราะมันเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้บุญอย่างเราก็ต้องพยายามนั่งไปจะสงบไม่สงบเราก็ต้องบังคับตัวเราให้นั่งไป แล้วก็สังเกตด้วว่ามันสงบมันไม่สงบเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็เพราะมันไม่หยุดคิดมันยังอดคิดไม่ได้เราจึงต้องให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็ต้องพยายามพุทโธไปอย่าหยุดพุทโธถ้าไม่อยากให้มันถ้าไม่อยากให้มันคิดเพราะถ้าเราหยุดพุทโธปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไปคิดทันทีเัียก็ต้องไปบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิด แล้วพุโทโธก็จะหยุดไปเองแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบเวลาจิตมันหยุดคิดของมันเองนี่มันจะเหมือนกับเสียงดับหูดับตับไมม เ, เหมือนเสียงที่ดังๆอย่างนีง้อยู่ดีๆมันก็ดับไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อทั้งนี้จิตหยุดคิดแล้วถ้ามันยังไม่ดับนี่มันก็ยังจะคิดอยู่เราก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนหมดเลยออสองคำถาม คำถามสกคุณมนมพรค่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งสงสัยแบบนี้เป็นเพราะเรายังปฏิบัติยังไม่ถึงใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งยังไ ม, ไม่แล้วสองยังไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ยังศึกษาน้อยไปก็ต้องพยายามศึกษาให้มากขึ้นก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัตินี่ควรจะศึกษาให้เข้า อ, อกเข้าใจหรือถ้าปฏิบัติไปแล้วสงสัยก็ควรจะศึกษาต่อเราสงสัยเรื่องอะไรเราก็ต้องศึกษาไปเพื่อหาคําตอบ ให้้ไดคำถามสกุลวันค่ะคนที่ดวงตาเห็นธทมได้นั้นคือคนที่เห็นอสุภะในตัวเองใช่ไหมคะก็เห็นหลายอย่างเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอสุภะเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมีดวงตาเห็นธทมเพราะมันเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่จะทําให้เราสามารถดับความทุกข์ใจได้เนีอันนี้ก็เป็นสิ่ง การที่จะเห็นมันต้องเห็นแบบต่อเนื่องไม่ใช่เห็นเฉพาะแวบๆเห็นแล้วก็ลืมอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการเห็นเห็นธรรมแต่เห็นธรรมแล้วมันจะเห็นตลอดเวลามันจะไม่ลืมเช่นเห็นความตายนี้มันจะจำได้ตลอดเวลาว่าเราต้องตายเราต้องตายแต่ถ้าเราลืมตายเมื่อไหร่แสดงว่าเรายังไม่เห็นธรรมโดยถ้าเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราก็ต้องเห็นทุกเวลา ไม่นจะเห็นบางเวลาบางเวลาก็เห็นว่าสวยบางเวลาก็ไม่สวยอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเห็นธรรมแต่เห็นธรรมมันต้องเห็นตลอดเวลาอาณานาะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด